กูบ้าต้องบอกแนะนํานะเราเป็นเจ้าของบ้านต้องแนะนําแขกต้องแนะนําผู้ที่เข้ามาใหม่ถ้าเราไม่แนะนําผู้ที่เข้ามากะเคอะเคเขินเขินเกกเก๊กกลางกลางรู้จะทํำยังไงมันจึงจะถูกกว่าจะให้เขารูปเข้ารอยได้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นพระผีดเลี้ยงใจําเป็นสําคัญอย่างมากให้ความอบอุ่นแก่คู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อันนนควรทำนี้อันนี้ควรทำอย่างนั้น เ, เมื่อเราเนยไปแล้วก็เขารู้แล้วเขาจะได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดถ้าเราไม่แนะนำไม่บอกไม่กล่าวก็เขากว่าจะคลำหาตนต่อหาแนวทางถูกก็ใช้เวลานานทำให้เขาทุกข์ใจบางทีก็น้อยใจถอยใจไป มันก็ไม่เป็นผลดีสําหรับพ ว, พวกเราเหมือนกันเพราะพุทธศาสนาหนึ่งไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งพวกเราเข้ามาก่อนเกิแนะนําสั่งสอนผู้ที่เข้ามาทีหลังก็เป็นทายาททายาทเป็นผู้สืบทอดเพราะพุทธศาสนาไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นของเราจบเพียงเราคนเดียวเพราะนั้นเราต้องบอกกล่าวแนะนํา ผู้ที่เข้าม า, ท ำ, า, าทำอย่างนั้นน่าทาอย่างนี้น่าผู้ที่เข้ามาเก้เขามาเพื่อการศึกษาอยู่แล้วอยากจะรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรเกี่กับพระหรือโยมหรือใครก็ตามเข้ามาก็ต้องถามถ้าสงสัยจุดไหนให้ถามอย่าไปมัวเมียแล้วก็เอาไปพูดหรือเอาไปวิจารณ์เฉลยมันก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องถามซะก่อนอันนี้คืออะไรทำไมททำอย่างนี้เพราะเหตุไรมีจุดมุ่งหมายอะไรมีจุด ประสงค์อะไรมันก็ต้องเข้ามาเพื่อการศึกษาแต่ละแห่งแต่ละหนแต่ละแต่ละสำนักแต่ละหน่วยงานแต่ละตำบลอาเภอจังหวัดแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอย่าให้มันเหมือนอย่างใจเราคิดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปดูมากเท่าไหร่จะยิ่งแปลกแตกต่างหลายๆลอย่างแต่ถึงยังไงถ้าทุกคนในกลุ่มนั้นคณะนั้นหมูนั้นเข้าใจกัน ปรับปรุงความคิดให้ได้แนวแถวเดียวกันหรือใกล้เคียงกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะนั้นๆแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจกันถึงจะอยู่ด้วยกันสองคนก็นทะเลาะกันหันหลังให้กันพูดันพูดกันไม่รู้เรื่องคนหนึ่งอยากจะเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากจะเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากจะปีนสูงคนหนึ่งจะปีนต่าคนหนึ่งจะโดดลงน้าคนหนึ่งจะปีนขึ้นบกมันจะเข้ากันได้ยังไง ความคิดไม่ไปแนวแถวเดียวกันเพราะนั้นเรื่องความคิดหรือการเป็นอยู่นะเนี่ยขอให้พวกเราปรับกันให้มันถูกนะยืดหยุ่นต่อกันให้รู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลนะอย่างว่าเราขณะนี้นะเดี๋ยวนี้กำลังมีการมีงานพวกที่คูบาทางานก็ทให้จาเป็นพวกคูบาใมา่มาปฏิบัต หรือนาคที่มาปฏิบัติทำก็ให้ปฏิบัติไปพวกที่กูบาทำงานก็ทำไปเว้นเสียแต่ว่าบางครั้งบางการบางวันพวกเราต้องการคนมากะระดมคนเออวันนี้ช่วยกันเนอะกูบ้าใหม่พวกนาคเนอะไปช่วยกันมานนี้อันนั้นคือระดมเป็นเป็นวันไปเพรนั่งผู้ที่เป็นหัวหน้างานต้องดูนะถ้าไม่มีอะไรกับผ้าใหม่แต่รู้จเอาผ้าใหม่ที่เขามาใหม่หรือนาค ให้ภาวนาเนอะไม่ต้องมายุ่งล็อกพวกเราก็ช่วยกันทําพระเก่าแต่กําลังไม่พอกเอาเอากําลังชาวบ้านเข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าหมดไม่มีกําลังแล้วเกิดจะหยุดเพียงแค่นั้นไม่ใช่เอากําลังเข้าชาวบ้านเข้ามาอันนี้หลวงพ่อเปิดโอกาสให้แล้วคือผู้เป็นหัวหน้าเนี่ต้องดูแต่ละกลุ่มแต่ละคณะหนะลวงพ่อมีแต่แนะแนวให้เท่านั้นเอง จะให้หลวงพ่อลงไปคลุกไปเจ้ากี่โยกกันงานทุกชิ้นมันก็คงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกท่านทั้งหลายก็มีอายุพรรษาด้วยกันอยู่กับวัดหลวงพ่อมานมนานแล้วน่าจะอ่านออกว่าหลวงพ่อมีจุดประสองค์อะไรอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจยังสงสัยก็ถามหลวงพ่อใชอหลวงพ่อ่ไม่ใช่เทียวบุตรเทวดาที่ไหนก็อยู่กับพวกท่านทั้งหลายแต่มีอะไรถ้าสงสัยก็ถาม แต่ถามหลวงบอกบอกเลยยังไม่ฟังนั่นนะ่ะโดนขู่แน่พวกท่านทั้งหลายต้องมีเหตุผลก่อนที่จะมาถามเท่านั้นแหละทํามาถามจุมสี่จุมห้าไม่ได้นะ่ะเสียเวลาเราเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายก่อนจะมาถามมีอะไรมีความข้องใจอะไรจุดไหนที่จะต้องถามแต่จะทำไปโดยพ ร, ราการนะถ้าทาไปโดยพ ร, ราการไม่ได้เพราะว่าหลักทำคำสอนหรือกฎระเบียบภายในวัดหลวงพ่อเป็นผู้ดูแล ทุกถึงทุกอย่างบหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบถ้ามันผิดพลาดมาแล้วว่าไม่ถูกต้องมาใครเป็นคนรับคนที่ทําผิดโดดหนีซะจะเนี่ยใครเป็นคนรับสมผานคือหัวหน้าวัดเนยคือหลวงพ่อเนี่ยรับเต็มเ็มเลยเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ให้ดุด่าว่ากาวเรื่อว่าห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องห้ามปรามว่าเออถ้าเราเป็นหัวหน้าอย่างนี้การกระทําอย่างนีน้มันไม่ถูกนะมันไม่สมควรนะอย่าทํานะ ถ้าคือทําก็ให้ออกไปจากวัดซะก่อนออกจากวัดเราซะก่อนจะไปทําที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่ในวัดของเราอย่าทํานะเพราะว่าเราต้องรับเต็มๆสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังเหมือนกันเพราะว่าฟังหัวหน้าก็ เ, าเหตุไรถ้ามันผิดพลาดมามันก็ต้องหัวหน้าต้องรับเต็มที่เพราะ ง, งั้นแหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนีที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องคิดซะก่อนมาควรจะทํำยังไงมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะได้ผล ทวีคูณอย่างไรหลวงพ่อก็ต้องได้คิดในการบริหารจัดการในวัดของหลวงพ่อเพื่อทัานขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ทําการทํางานก็ช่วยๆกันทําแต่บางคนเขบอกโอ้มาอยู่วัดมีแต่งานอย่าไปคิดอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนไม่มีงานขนาดไปเป็นเทวดาก็ยังคิดยังปรุงฟุ้งซ่านอยูยังคิดงานหนักงานในใจอยู่ นั่เมืองเมืองมนุษย์ล่ะถ้าเรามาอยู่แล้วเราจะไปขี่บนหัวของเขาแล้วเออให้เขามาหาอะไรมาป้อนปากเราเอแล้วเราไม่ทําอะไรเลยมันจะถูกไหมมันมีที่ไหนอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องทําถ้าเราทําอย่างหนึ่งแล้วก็ท่องทําอย่างหนึ่งอถ้าว่าเราไม่ทํางานเราก็ทํากิ จ, จวัตรข้อวัดภัดตตาทําความสะอาดช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่พวกพระ ที่ท่านไปทํางานหนัก น, น, นะนะเรียว่าทํางานเหลื่อมกันนะการทํางานทํางานเหลื่อมกันถ้าว่าพวกเราคิดได้อย่างนั้นนะั่นชุมชนนั้นกลุ่มนั้นมีแต่ความสงบไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดทําพวกหนักก็นหนักไปพวกที่อยู่เฉยเฉยก็อยู่เฉยเฉยไปเพ้อเพอยังดูถูกพวกที่ทํางานอีกมันก็ไม่ได้ก่อนที่พวกเราจะได้นั่งศาลาหลังนี้เป็นมาได้ยังไงคิดดูสิ ศาลาหลังนี้เป็นมาได้อย่างไรหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนคิดทำเป็นคนหาสตางังเป็นคนควบคุมงานพระในยุคที่มาทำงานเขาก็ทำช่วยๆกันพวกเราสรุปสรุปแล้วก็มาซุกมือเปิบมานั่งอยู่ศาลาอย่างนี้เราไปที่อื่นก็เหมือนกันเราไปที่อื่นเราไปนั่งดูไปศาลาคนอื่นเขาเราก็ไปซุกมือเปิบอย่างหลวงพ่อไปนั่งอยู่ศาลาวัดอื่นเขา จะว่าสุบมือเปิดก็ใช่เพราะว่าเป็นผลงานของเขาที่เขาทําให้นี่แหละแปลว่างานทุกชิ้นที่อยู่ในวัดแต่ละวัดแต่ละสถานที่นั่นโดยมากมันก็เป็นชนุมชนในกลุ่มนั้นเป็นทำเองเบนเสียต่ของรัฐบาลทางรัฐบาล น, นี่คือเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนรวมกันแต่ถึงยังไงก็ต้องได้รักษาในระดับหนึ่งผู้เข้าไปก็ต้องดูแลผู้ที่อยู่ที่นั่นก็ดูแลเพราะว่าเป็นเงินภาษีที่ก่อสร้างขึ้นมา อันนี้เงินในวัดของเราเนเีน่ยเป็นเงินบริจาคเป็นเงินบริจาคของผี่น้องประชาชนถ้าจะทําสิ่งไหนต้องคิดให้ดีเสีก่อนแล้วก็ให้เกิดประโยชน์เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็สาธารณประโยชน์ใอ้แก่พวกเราท่านทั้งหลายดิไอ้พักพาอาศัยแต่ว่าถึงจะบริจาคมาก็เถอะแต่พวกเราไม่ช่วยกันทําไม่ช่วยกันดูแลเงินก่อนนั่นก็เป็นกระดาษอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นที่พักพาอาศัยขึ้นมาได้ ไม่เป็นปัจจัยสี่ขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเพราะเป็นเป็นเงินเป็นเป็นกระดาษแต่ถ้าว่ามันเป็นกระดาษมาแล้วแต่เราก็มาปรับปรุงมาใช้ก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าไม่มีกระดาษมามันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันอนั่นแหละมันเกื่อกูลหนุนกันมันมีกระดาษมาจ้ ก, ก่อนมันจึงมีเหล่านี้ถ้ามันมีแต่กระดาษมาถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นกระดาษอยู่อย่างเก่านี่แหละอันนี้ก็คือ พวกเราที่มาอยู่ในวัดวาศาสนาต้องคิดให้ไกลต้องคิดให้รอบคอบเกือ้อกูลหนุนกันแต่ถึงอย่างไรทุกผู้เป็นหัวหน้านะต้องคิดไม่ใช่ว่าทําทั้งวีทําทั้งวันคิดหางไม่มีอะไรปุงฟุ้งซ่านก็ไม่มีอะไรจะคิดเอาปรุงคิดเอาไม่ให้หมูทําเป็นความคิดของตนเองแล้วก็ทําให้หมู่ทุกอยาก่างเพราะความคิดของตนเองทั้งวีทั้งวันคนขี้เกียจภาวนาอะไรนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น คือเรามาภาวนาจุดยืนของเราภาวนาเหมือนกับเรายืดยางจะติ๊กอย่างนั้นเวลาเรายืดออกไปเราก็ใช้ยางจะติ๊กเวลาเราเก็บยางจะติ๊กเราก็เก็บเข้าสู่ความสงบในเมื่อมีจำมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้มวลชนใช้ชุมชนใช้หมู่คณะมารวมกันทํางานแล้วก็เรียกมาทํางานพอเรียกทํางานจบแล้วเอาจบไปเข้าที่ภาวนาต่อไปเพราะมันจบเป็นอานไปแต่ทาว่าเรามาแล้ว เราก็เฉยเขาจะทำงานยังไงก็เฉยไม่ได้สนใจอันนั้นมันก็เหมือนกับเรามาให้คนอื่นแบกแบกเป็นภาระของเขาแต่เขาก็หนักใหญ่ถึงเขาจะไม่บ่นต่อหน้าเราก็กรบปนรับหลังจะมาอยู่ทําไมมาอยู่ให้หนักวัดมาอยู่ให้หนักพวกเราไม่ทาไม่เห็นช่วยการงานอะไรเลยอย่างน้อยไม่ทำงานก็ปัดกวาดก็ยังดีทำความสะอาดก็ยังดีอันนี้มาอยู่เป็นวั น, วน ใช่ภาวนากัไปเห็นจะภาวนาเท่าไหร่พอไปเท่าไหร่ก็ไปเห็นแต่เอกะเนกนอนอยู่อย่างนั้นเดินยังโกมกับขี้เกียจอีกต่างหากเอบอกก็ว่าภาวนาภาวนาใครจะไปรู้ว่าภาวนาจริงหรือไม่หรือนั่งคิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันใครจะไปรู้แต่คนภาวนาจะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะ่าน่าจะอารมณ์เย็นกว่านี้นะ่อันนี้มันดูดูแล้วมันขี้เกียจอารมณ์ก็ร้อนอีกต่างหากให้ใครแต่อะไรก็มาได้วูวี ว, วูวีอีกต่างหาก ถ้าคนภาวนามันก็ต้องเย็นดูดูมันก็รู้หนะ้าคนภาวนาไม่ภาวนาเนะีเขาก็จะดูอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราโอปนญิกูมองตนเองเหมือนกันนะอหลวงพ่อเนี่ยจะให้ทํางานทีเดียวหลวงพ่อก็ไม่ไม่เห็นด้วยจะไปที่ไหนจะไม่ทํางานเลยๆจะไม่ภาวนาเอาลูกเดียวภาวนาจริงทําภาวนาได้อย่างนั้นก็จริงแต่ก็อย่างที่ว่านั่นนะมันจริงไหมล่ะ คนที่ไปส่งสองมองมองดูแล้วมันไม่เห็นภาวนานะ่ะฮถ้าภาวนาจริงมันไม่เป็นอย่างนี้นาะทางเดินจงกรมมันจังต้องรื่นนะไปเห็นที่ไหนก็นั่งภาวนาอันไหนเบื่อตายก็เดินจงกไปเวลาไหนมีแต่นอนเอกขดิ์มีแต่ทำนั้นกุกกุกกกีกีกุกกุ ก, ก, ก, ก, ก อ, อลักษณะมันปุ่งฟุ้งสั้นจะมากกว่านานะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่แช่ว่าเขาไม่มองเท่าคนไหนภาวนาจริงเลยเขาจะยกมือให้เลย แต่โดยมากถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาจะไม่ยกมือให้นะเขาจะตําหนิแต่ตาหนิแล้วเขาเขาก็จะพูดให้พูดให้ตัวเองกร้อนแล้วไงอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมองเขามองเราช่วยช่วยกันถ้าไม่หนักหนาเกินไปก็ช่วยเพราะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ทางพวกพระเก่าก็ต้องบอกเออพวกท่านทั้งหลายมามีเวลาน้อยนะให้ภาวนาเถนะให้ตั้งใจภาวนานะ ไม่ต้องมายุ่งนกผู้ที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นครูบาเก่าก็ควรจะใช้ปัญญาใช้ความคิ ด, คดใช้ความรอบครอบเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะฟูวีออกมาทำการทำงานทั้งหมดจะเลยหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแผู้ที่เข้ามาใหม่ถ้าระดมพลมาช่วยกันในะวันนี้น ะ, ะแต่ก็เฉยว่าเสียเวลาภาวนาอนนั้นก็ไม่ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะเรามาอยู่ในชุมชนมาอยู่ในวัดวาสนามาอยู่ที่นี่ เออมันก็ต้องช่วยกันไม่เว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะให้พวกเราให้อ่านให้ออกไปอยู่ในชุมชนใดกลุ่มใดต้องวางตัวให้ถูกต้องถ้าวางตัวไม่ถูกนั่นน่ะตัวเองน่ะเดือดร้อนก่อนเพื่อนนะใจก็จะร้อนล่ะวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผมบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้รู้จักการละการละเทสะบุคคลการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เราควรทําตัวอย่างไร สถานที่อย่างนี้เราควรทำาตนอย่างไรขณะนี้เราควรทำตนอย่างไรถ้าเราใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบอย่างนั้นแล้วไปอยู่นสถานที่ใด น, นะราบรื่นไปหมดจะไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาหวงพ่อพูดได้เลยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้มองชุมชนไปที่ไหนก็จะแสวงหาความสุขไปขี่หัวคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ยอมจั ไม่ยอมลงจับหัวของคนอื่นเขาหัวใจหัวอะไรหัวใจของเขาแนหะไปอยู่ในสถานที่ใดไม่รู้จักสถานที่ควรทาตนอย่างไรนะแต่พวกเรารู้จักสถานที่ควรทาตนอย่างไรแล้วหลวงพ่อวางไปอยู่โลกไหนก็อยู่เเออะประเทศไหนก็ประเทศน่อะอนะอยู่วางตัวถูกแล้วสบายทั้งนั้นนะ่ะถ้าเราทําตัวไม่ถูกมันไม่สบายนะมันไม่สบายที่ไหนมันไม่สบายอยู่ที่ใจนั่นนะอใจของเรามัน พี the Normally, them. Podcast, ่ตกกังวลปูงฟุ้งซ่านอยู่อย่านั้นเขาจะว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าให้อย่างนั้นเขาว่าให้อย่างนี้แล้วเขาแกล้งเราอย่างนั้นเขาแกล้งเราอย่างนี้ฮะอย่างนั้นแหละก็เห็นอะไรเราโดยมากไม่มองตนเองถ้ามองตนเองเขาแกล้งเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยงานเขาใช่ไหมหรือเราไปว่าให้เขาใช่ไหมหรือเราไปทําให้แก่เขาอย่างไรในชุมชนสังคมอในจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อพูดพูดภาพรวม วงกว้างให้พวกเราเกิดมาในโลกนี้เราจะไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่วัดไหนอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดก็พยายามดูใจดูตัวเราดูหมู่พวกเพื่อนดูสิ่งแวดล้อมวางตัวให้ถูกต้องอยู่ที่ไหนเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วก็เมื่อวานวิทยุของเราผู้ที่ดูแลแล้วก็เอาเทศของหลวงพ่อเท์ทั้งวันน้ำวันวันอาทิตย์นะ วันเสาร์ธรรมเทศนาของหลวงตาวันอาทิตย์เป็นเทศของหลวงพ่อแต่วันจันทร์อังคารนะครับเข้าสถานีวิทยุใหญ่อันนี้ก็เพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ยินได้ศึกษาแต่บางท่านบางคนก็าอกอมีแต่เทศหลวงตาอย่างเดียวทั้งวันอา้าวเราก็จะไปเปิดทั้งวันทีอเราเปิดฟังสองการแล้วก็ปิดไว้เพื่อองค์เพื่อคนอื่นเขาหลักไม่ใช่มีแต่หูสองหูเราเท่านั้นคนที่จะฟัง ทั้งอำเภอมันกี่หมื่นคนนะอกี่แสนคนนะที่จะฟังบางทีอาจจะฟังคนหนึงอาจจะฟังช่วงหนึ่งคนนึงอาจจะฟังช่วงหนึ่งการได้ฟังธรรมะมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถาาว่าเรามีเวลาฟังแล้วฟังกันใด้จบแล้วก็หยุดถ้าจะเราจะฟังอีกจะค่อยเปิดฟังอีกอไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็ลองรำทําเพลงทั้งวีทั้งวันเหมือนกับเต่าลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรนะโผล่ขึ้นมาแล้ว มาถูกบ่วงที่ว่าไอ้อะไรเขาทิ้งวงกลมหรือว่าพวงมาลัยในทะเลนั่ น, นแหละเต่านานเท่าไหร่จึงจะโผล่ขึ้นมาสวมพวงมาลัยตัว น, นั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเรามีแต่ธรรมเทศนากันเดียวไม่รู้ว่าวันไหนจะออกมาเราไปเปิดมันมันก็ไม่เจออันนี้ถ้าเราเปิดเจอธรรมะมีทมั้งทั้งหมดเลยเต็มไปหมดอยู่ในอนูของอากาศ้น เราฟังจบแล้วเข้าใจแล้วจุดนี้เราก็นําไปประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องฟังทั้งวีทั้งวัน เ, เทศของหลวงพ่อก็เหมือนกันเราฟังฟังกันให้จบเราเอาฟังหรือว่าเออเรายังไม่เคยฟังเทศหลวงพอ่อยืดยาวเลยเราก็ตั้งใจฟังฟังให้จบ เ, เป็นวันไปเลยจากนั้นก็เอา้าถึงเจวันยังมีอีกครั้งหนึ่งอของหลงตาก็เหมือนกันแต่ว่ากลางคืนของหลงตาเนี่ยท่านเทศอยู่แล้วนะอบรมพระหลวงพ่อว่า น่าจะฟังเทศวันละหนึ่งกันอย่าได้ขาดกลางคืนจะเป็นเวลาไหนก็ได้ฟังตั้งแต่หัวทะไม่ใช่ฟังครึ่งกลางกลางนะถ้าฟังครึ่งกลางกลางอาจจะไม่ได้อัธรตเต็มเปี่ยมเพราะเริ่มต้นทันมีอะไรท่านทงปารลบขึ้นมาจากนั้นเมื่อปารลขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ฟังฟังฟังจนจบอย่าบัด l a n ฟังจบกันหนึ่งน่าจะเพียงพอเบนเสียแต่เรามีเวลามากเราเออเอาฟัง แต่การฟังก็ต้องฟังตั้งใจฟังจริงๆนะอ่าไม่ใช่ว่าฟังแบบติ้งๆคงๆนอนแล้วก็ฟังไปทั้งหลับทั้งตื่นก็ฟังไปอันนั้นไม่ใช่ฟังวิทยุขนาดนั่งฟังจริงๆยังตีความหมายยากธรรมะเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของแนวความคิดเรื่องวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นการฟังต้องฟังด้วยความสนใจใส่ใจจึงจะได้รู้รสของพระธรรมฮะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังหลงพอว่า ฟังไปอย่างนั้นแหละฟังกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกันก็นยางนั้นอ่ะเหมือนกับศาสานน้ําใส่หลังหมาอย่างนั้นเะี่ยศาสตร์ไปแต่สะบัดผัดศาสตร์ใส่อะไรสะพริดสะบัดอยู่อย่างนั้น <c oughs> เพอเพอห ม, มาตอนนั้นจะเป็นหมาขี้เลือนอีกต่างหากเยพราะเหตุไรเพราะมันถูกน้ําบ่อยน้ำขนมันไม่แห้งเหมือน้ันอ่ะอืมอันนี้ผ็เหมือนกันธรรมะทำคํ า, าคสอนถ้าเราฟังแล้วไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักนํามาประพฤติปฏิบัติเนี่ย มันกิดลักษณะหมากีเลื่อนอย่างที่วานั่นแหะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ทาง อ, อกตั้งใจการภาวนาเนี่ยพวกผู้ที่ภาวนาไม่ได้มาดูการงานเอา้อาภาวนาเดินจงกรมสติสัมปชัญญะสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเวลาก้าวขาพุทธเดินโยกลมขาพุทธขาซ้ายโถหรือเราเดิน จากที่เดินมาตอนเช้านะเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธภาวนาไปเรื่อยแหมอย่างหลวงพ่อบางทีไปพักที่สถานีตอนเช้ามาเดินกับก้าวขาขาพุทขาซ้ายโธพุทธโธบางทีนับอีกต่างหากนะแหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบางทีถึงร้อยอ่แล้วก็หนึ่งสองสามถึงร้อยหนึ่งสองสามถึงร้อยมาถึงสาลาเท่าไหร่ หลวงพ่อนับได้สามพันกว่าเก้านะนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อนับถ้าเราสติเราดีเราจะไม่หลงนะจะไม่เผลอสลับไปสลับไปสลับมานะเรารู้ได้ด้วยเลยว่าเออสติของเราเนี่ยแกล่งขนาดไหนเราเดินมาจากกุฏิของเราไม่หลงเลยเีย่จากนั้นเราก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยงว่าพุโทโธเนี่จะง่ายกวนะ่านับนะถ้านับเนี่ยจะหลงจะหลงได้เร็วกว่าหลวงพ่อวัดนะพุโทโธพุธโทโธมันก็มีสองคำ แต่ท่านนับห 10, นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบถึงร้อยเนี่ยในตัวนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยเป็นยังไงจากนั้นเราก็ค่อยภาวนาะพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทีนี้นะนี่แหละให้พระใหม่ตั้งใจนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพระใหม่นะให้ตกตั้งใจหนากก็เหมือนกันพวกหนากเข้ามาใหม่บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทโธภาวนา เวลานั่งสมาธิก็นั่งเหมือนพระประธานเะี่ยนั่งเนี่ยอัปทานมองนีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุธโทพุธโทอย่าให้คิดอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไงแต่หาว่าจิตใจมันยัง ออกไปอยู่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถีเย็บในขณะที่ภาวนานี่แหละให้พวกพระให้นาคทั้งหลายนะ่พระใหม่ทั้งหลายนะ่ที่เขามาศึกษาในวัดหลวงพ่อให้ตั้งใจภาวนาวัดหลวงพ่อเป็นวัดภาวนานะพยายามดูใจของตนเองการมาภาวนาคือให้มาดูใจของตนเองใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะถ้าเราใจทันใจใจทันความรู้สึก ความรู้สึกอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นะเราจะนึกคิดอะไรต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีกฎมีเกณฑ์สำหรับตนเองจะพิจารณาเรื่องอะไรจะไตรตรองเหตุผลเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องมีราวพิจารณาไตรตรองเรื่องธาตุขันร่างกายของเราชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ชีวิตของเรานี่อะไรคือคุณค่าของชีวิตของเราเนี่อันไหนคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต อันไหนคือสาระของชีวิตที่แท้จริงถ้าเราค้นคว้าหาดูสิอาหาดูอีกสักวันหนึ่งเราก็จะพบคุณค่าของชีวิตนั่นคืออะไรความสุขที่แท้จริงของเราหรือของมนุษย์นั่นคืออะไรถ้าเราค้นศึกษาในหลักของพุทธศาสนาศึกษาในปรัชญาหรือแนวความคิดของพุท ธ, ธะแล้วเราจะเจอนะถ้าเราคิดไปทางเอาค้นคว้าไปทางโลกวิทยาศาสตร์ขแขนงไหนก็ขแขนงเถอะ มันจะหาไม่เจอทั้งนั้นเออถ้าคิดในหลักของพุทธศาสนาแล้วจะเจอจะพบแล้วจะแก้ไขได้นะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร